Mm hmm. ที่นี่ตกอนเนี่ยตรงข้ามกับศาลาใหญ่เนี่ยจะมีหินขนาดปานกลางแผ่นแบนๆเขียนข้อความว่าที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่มิตรที่เพิ่งรู้จักและที่นี่ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่พวกเราจะได้มาพบกับมิตรที่อาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อน แต่ว่ามิตรที่ไม่เคยรู้จักเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรมากกว่าพระแม่ชีหรือว่าคารวะญาติโยมที่เราได้มาพบปะกันที่นี่บุคคลเหล่านั้นซึ่งก็ปรากฏอยู่ในที่นี้แล้วนะก็ถือว่าเป็นมิตรของเรานะที่เราอาจจะไม่เคยพบมาก่อน เมื่อได้พบแล้วนะก็อาจจะเป็นกำลังใจให้กับการปฏิบัติได้ถ้ามองไปให้กว้างมิตที่เพิ่งรู้จักอาจจะมีมากกว่านั้นอาจจะได้แก่ธรรมชาติป่าไม้นกหรือว่าสัตว์นานาพันธ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นมิตรของเราเหมือนกัน ป่าที่นี่หลายคนที่มาใหม่ก็อาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าก็ขอให้มั่นใจได้ว่าธรรมชาติแล้วก็ป่าตลอดจนสิงสาระสัตว์ที่นี่ก็เป็นมิตรของเราไม่เป็นอันตรายแก่เราแล้วก็อาจจะช่วยให้ความปลอดภัยรวมทั้งความสงบกแก่เรา บางอย่างอาจจะทำหน้าที่ยิ่งกว่ามิตรก็คือเป็นครูบาอาจารย์ของเร า, มาแมลงก็ดีนกก็ดีหรือแม้แต่หนูก็สามารถที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเราในหลายเรื่องได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะมองให้เป็นหรือมองให้เห็นหรือเปล่าอันนี้ก็สามารถจะเรียกได้ว่าเป็นมิตรที่เพิ่งรู้จักก็ได้ แต่ว่าอยากจะให้เราได้มาพบกับมิตรที่เพิ่งรู้จักที่สำคัญมากที่สุดที่เราจะขาดไม่ได้เลยมิตรพุนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ไกลาจากเราเลยอยู่ใกล้มากถ้าเราส่องกระจกก็จะพบว่านั่นแหละคือมิตรของเราแต่อาจจะเป็นมิตรที่ ไม่เคยรู้จักหรือเพิ่งรู้จักในความรู้สึกของหลายคนก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเรารู้จักตัวเราเองนี่น้อยนะแล้วก็อ่าคจริงๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเหินห่างกับตัวเองมาแทบจะตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะคนในยุค ป, ปัจจุบันนะซึ่งมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคมาก มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายที่ทำให้ในแง่หนึ่งเนี่ยก็เป็นสื่อกลางให้เราได้รู้จักคนได้เยอะแยะไปหมดสามารถที่จะรู้จักมีตาที่กว้างไกลเห็นความเป็นไปของคนในอีกซีกโลกหนึ่งเกิดขึ้นอะไรที่เมืองจีนเกิดขึ้นอะไรที่อเมริกาเกิดขึ้นอะไรที่อุสเบกิสถานเมื่อเช้า ก็อาจจะรู้ได้โดยฉับพลันก็ได้ผ่านทางโทรศัพท์โทรทัศน์หรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีโปรแกรมใหม่ๆมากมาย t w ว t t e r อะไรกพูกเนี้ยนะชื่อแปลกๆก็ทำให้เราได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ไกลออกไปได้เราก็สามารถจะออนไลน์หรือว่าพูดคุย ผ่านทางอินเทอร์เน็ตถึงคนในอีกซีกโลกหนึ่งหรือว่าอีกมุมหนึ่งของประเทศได้แต่ว่าในอีกแง่หนึน่งเทคโนโลยีเหล่านี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเหินห่างออกจากตัวเองจนกระทั่งเกิดสภาวะที่เรียกว่าแปลกแยกกับตัวเองนะคำนี้พวกเราอาจจะไม่ค่อยคุนบางคนแต่จะไม่ค่อยคุ้นกับคำว่าแปลกแยก แต่ถึงแม้จะไม่คุ้นกับคํานี้นะแต่ว่าก็คงรู้สึกสัมผัสกับสภาวะนี้ได้เวลาที่เราต้องอยู่คนเดียวในห้องหรือในสถานที่หนึ่งไม่มีโทรศัพท์ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีผู้คนจะมาพูดคุยเจาะแจ๊ะด้วยไม่มีหนังสือให้อ่านแต่ว่ามีเราคนเดียว เราจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเราอยู่ในสภาพเช่นนั้นอาจจะอยู่ในห้องคนเดียวแม้ว่าในห้องนั้นจะมีอาหารจะมีปัจจัยสี่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแต่ว่าต้องอยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนคุยไม่สามารถจะติดต่อพูดคุยกับใครได้แล้วก็ไม่มีงานให้ทำด้วยเราจะรู้สึกอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกอึอดอัด กระสับกระส่ายหงุดหงิดขึ้นมาท่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นบางคนก็อาจจะรู้สึกเบื่ออยู่แค่ชั่วโมงเดียวแต่ ก, ก่อนเนี่ยมันมีอะไรให้ทำทำโน่นทำนี่ดูหนังฟังเพลงอ่านหนังสือโทรศัพท์พูดคุยกับเพื่อนไปเที่ยวห้างหรือไม่ก็ทำโน่นทำนี่ไปแต่พอ มาอยู่กับตัวเองส่วนใหญ่เรียกว่า 99% ก็ก็ได้จะรู้สึกอึดอัดหงุดหงิดกระสับกระส่ายนี่คืออาการที่เกิดจากการที่ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ก็คือสภาวะที่เรียว่าแปลกแยกกับตัวเองมันก็น่าแปลกนะทั้งที่เราบอกว่าเรา รักตัวเองรักตัวเองแต่ว่าพอจะให้อยู่กับตัวเองจริงๆก็อยู่ไม่ได้อยากจะไปอยู่กับอย่างอื่นมากกว่าอยากไปอยู่กับผู้คนจะได้พูดคุยเจาะจั๊ดด้วยอยากจะไปเที่ยวห้างอยากจะไปทำโน่นทานี่คนที่มาปฏิบททัติธรรมให้อยู่คนเดียวไม่ต้องถึงขั้นเก็บอารมณ์ก็ได้นะแต่ว่าให้เดินจงกรม ให้สร้างจังหวะเคลื่อนไหวมือไปมาอยู่คนเดียวทำไปสักชั่วโมงหนึ่งหรือว่าครึ่งชั่วโมงนี้ก็ใหม่ๆนี้ก็จะทำกันไม่ได้แล้วก็จะนั่งคอตกใจนี้ก็รุ่มร้อนอยากจะเลิกไปทำอย่างอื่นแต่ว่าถ้าต้องอยู่อย่างนั้นนานๆก็เลือกที่จะหลับให้การหลับก็เป็นการหนีตัวเองอีกแบบหนึ่งถ้าไม่หลับก็จะหาเรื่องฟุ้งซ่าน ก็คือเป็นการสร้างโลกแห่งความคิดขึ้นมาแล้วก็หนีเข้าไปในโลกแห่งความคิดนั้นทั้งหมดนี้เพื่ออะไรก็เพื่อห น, นีตัวเองเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้เราแปลกแยกกับตัวเองทั้งหมดนี้มันก็แสดงว่าเราจริงๆแล้วไม่ได้เป็นมิกับตัวเองเท่าไหร่เราไม่ได้เป็นมิกับตัวเองเท่าไหร่นะเพราะเราทนอยู่กับตัวเองไม่ได้ถึงบอกว่าตัวเองนี่แหละ หรือคนที่เราเห็นในกระจกอันนั้นแหละคือมิตรที่เพิ่งรู้จักแต่บางคนก็มาถึงนี่แล้วก็ไม่เจอก็มีนะไม่เจอมิตรแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้เจอแล้วก็ได้รู้จักเองแค่นีแค่หน่อยก็ถือว่าคุม้มไอตัวเราเองเนี่ยนะหรือใจของเราเนี่ยจะว่ามันอยู่ใกล้ก็ใกล้จริงๆนะ ไม่มีอะไรใกล้เท่ากับตัวเองไม่มีอะไรที่ใกล้เท่ากับใจของเราแต่ในอีกแง่หนึ่งมันก็ดูไกลเหลือเกินไกลมากเราสามารถที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับดวงจันทร์เรารู้เรื่องเกี่ยวกับจั ก, กรวาลกาแล็กซี่มีเหตุการณ์อุกกาบาตชนดาวพฤหัสหลายร้อยล้านกิโลเมตรก็รู้นะ เป็นข่าวเมื่อหลายวันก่อนรู้หมดแต่ว่าไอ้ใจของเรานี้เรากลับไม่ค่อยรู้เท่าไหร่งั้นถ้าเกิดว่าเราอุตส่าห์มาถึงนี่แล้วนอกจากเราจะรู้จักหรือได้เพื่อนใหม่จะเป็นพระจะเป็นแม่ชีจะเป็นโยมอันนั้นก็ดีอยู่แต่ว่าที่ขาดไม่ได้ก็คือการรู้จักตัวเราเองแล้วก็เป็นมิตรตัวเราเองให้ได้ มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่เราจะเป็นมิกระตัวเราเองและการที่เราจะเป็นมิกราตัวเราเองนี่บางครั้งนี่มันต้องดันด้นนะต้องดันด้นบางครั้งบางคนก็กว่าจะพบตัวนี้ต้องเดินทางไกลมีหลายคนบอกว่าโอ้มาวัดป่าสุขกโตนะทำไมมันไกลอย่างนี้นะสมัยก่อนนี่ยิ่งกันดานลําบากกว่านี้เพราะว่าไม่มีถนนลาดยาง พอหน้าฝนนี่ก็มีลุ่มเป็นลุมเป็นบอ่อพอมาถึงก็ก็บ่นอุบเลยว่าทําไมมาสร้างวัดไกลอย่างนี้ก็รู้สึกว่าไกลไกลสําหรับการเดินทางมาปฏิบัติแต่จะว่าไปแล้วมันไม่ไกลเลยสําหรับการที่เราจะมาค้นพบตัวเองแล้วก็มาเป็นมิจ ก, กับตัวเองไม่ไกลเลยนะระยะทางส0มกิโเมตรสหสิ บางคนนี่กว่าจะพบตัวเองได้นี่ต้องเดินทางข้ามทวีปบางคนนี่บ้านอยู่อังกฤษอยู่อเมริกากว่าจะมารู้จักตัวเองนี่ก็ต่อเมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทยก็ได้รู้จักตัวเองอย่างหลวงพ่อซูเมโตนี่ท่านก็เกิดที่อเมริกาแต่กว่าจะมาค้นพบตัวเองได้นี่ต้องมาถึงหนองคาย มาถึงอุบลเนี่ยถึงจะค้นพบตัวเองบางคนนี่ก็เดินทางไม่ได้ตั้งใจเป็นทหารสงครามโลกที่สองเป็นชาวอเมริกันแล้วก็มีภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นนะพอญี่ปุ่นแพ้สงครามก็ต้องมาทำภารกิจก็มาในฐานะผู้พิชิตแต่ปรากฏว่า กลับถูกพิชิตนะกลับถูกคนญี่ปุ่นพิชิตคือเอาชนะใจเพราะว่าได้มาค้นพบศาสนาพุทธแบบเซนประทับใจมากแล้วก็เลยมาบวชเป็นพระในพุทธศาสนานิกายเซนก็มีหลายคนนะอุตส่าห์เดินทางข้ามทวีปมาคิดว่าจะมามาปกครองมามาสร้างเนื้อสร้างตัวแต่กลับพบตัวเองที่ประเทศญี่ปุ่น ถ้ามีบางคนนี่เดินทางไกลกว่า น, นั้นมีทหารอังกฤษคนหนึ่งชื่อว่าอย่างฮัสบันเนี่ยก็มาร่วมทัพในการยึดเมืองหลวงของทิเบตทิเบ ต, เบตนี่เรานึกภาพดูมันไกลขนาดไหนความสูงระดับน้ำทะเลนี่หกิโลเมตรอุตสาห์ดันต้นจากอินเดียขึ้นมานะกว่าจะมาถึง เมืองลาซาโอ้เรียกว่าลำบากมากาเขามาเพื่อที่จะมายึดนะมันมีการต่อสู้กันมาถึงทิเบตได้มาถึงทิเบ ต, เบตในฐานะทหารแต่ว่าออกจากทิเบตออกจากลาซาในฐานะของผู้ไฝ่ธรรมมาเจอมาค้นพบตัวเองที่ทิเบตเขาเล่าประสบการณ์เขาว่าตอนที่เขา ต้องญาติญาตราทับนี้ออกจากลาสามองไปทั่วทั่วเมืองเห็นภูเขาไกลลิบลับเกิดความสึกปิติขึ้นมาในจิตใจมันเกิดเรือเกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตดินญาณในใจเขาแล้วก็เขาบอกว่าเพียงแค่ออกจากกรุงลาสาเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมง ที่เดินทางออกจากลาสานี่มันมีค่ามากกว่าชีวิตของเขาที่เหลือทั้งชีวิตเพราะได้คนพบตัวเองแล้วก็กลับไปเราะเลยก็เลยกลายเป็นผู้ที่ใฝ่รมหันมาสนใจธรรมะศึกษาพุทธศาสนาแล้วก็พยายามเผยแผ่ศาสนาให้มันเป็นเครื่องมือสร้างสันติภาพในโลกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเดินทางไกลเพื่อจะมาพบตัวเองในที่สุด เพราะฉะนั้นเราเดินทางกันมาร้อยสองสมรอกิโลนี่มันมาถึงนี่นี่ไม่ถือว่าไกลนะสาหรับการค้นพบแล้วก็รู้จักตัวเองนี่สําคัญมากเลยในการที่เราจะรู้จักแล้วก็เป็นมิกฉาตัวเองให้ได้เพราะถ้าเราเป็นมิกฉาตัวเองแล้วเนี่ยเราจะพ้นพบความสุขเพราะว่าที่เราวิ่งวุ่นกันทุกวันนี้เนี่ย ดิ้นรนไขว่ควา้าแสวงหาต่างๆมากมายมันก็เกิดจากการที่เราไม่มีความสุขภายในพอเราไม่มีความสุขภายในเราก็คิดว่าจะหาสิ่งอื่นจากภายนอกมาเติมเต็มใจนี่มันว่างเปล่าใจมันพร่องความสุขก็ไปคิดว่าความสุขนั้นจะสามารถมาเติมใจได้เอาความสุขจากไหนก็ความสุขจากภายนอก ความสุขจากวัตถุทรัพย์สินเงินทองหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าอาจจะเป็นชื่อเสียงเกียรติยศเราก็คิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นมาก็จะทำให้สุขได้เสร็จแล้วมันก็ไม่สุขจริงเพราะว่าต้องไปดิ้นรนไขว่คว้ากับคนอื่น เพียงแค่จะได้ขั้นสองขั้นเพิ่มขึ้นนี้ก็ต้องไปแข่งกับเพื่อนเพืนเพราะว่ามันมีโควตามันมีจำกัดกว่าจะได้มานี่ก็เหนื่อยขั้นสองขั้นแล้วก็ยิงตำแหน่งหัวหน้ากองพออโอ้มันก็ยิงต้องแข่งกันก็ไปใหญ่กว่าจะได้มาก็เหนื่อยได้มาแล้วก็สุขชั่วคราว แล้วก็เบื่อใหม่อยากจะได้อะไรที่มันสูงกว่านั้นอยากจะได้อะไรที่มันเด่นกว่านั้นแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะมีเงินมีเงินแสนก็คิดว่าถ้ามีเงินล้านจะมีความสุขแต่พอได้เงินแสนแล้วก็คิดว่าถ้าได้สองแสนหรือว่าส0บล้านจะมีความสุขมันก็ไม่สุขคือสุขได้ประเดียวประดาวจนถึงขั้นว่ามีเป็นร้อยล้านพันล้าน ก็ไม่มีความสุขถ้า ม, มีคนหนึ่งนะักธุรกิจคนหนึ่งนี่ทำธุรกิจก่อสร้างอุตสาหกรอบกู้ธุรกิจของพ่อซึ่งเป็นหนี้ช่วงสมัยเศรษฐกิจวิกฤตกอบกู้มาที่เคยเป็นหนี้เป็นพันล้านนะสามารถที่จะกอบกู้ใช้หนี้ได้หมดภายใน3ปีแล้วก็อีก3ปีนี่ก็ทำให้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นอีกหลายพันล้าน จนกระทั่งธุรกิจของเขานี่มันมีเงินหมุนเวียนมันมีสินทรัพย์อยู่หมื่นล้านตัวเขาเองก็มีเงินทรัพย์สินส่วนตัวนี่ก็เป็นหลายร้อยล้านก็น่าจะมีความสุขนะแต่วันหนึ่งก็รู้สึกว่าเบื่อพี่เขาไม่มีค่าหมดค่าทางธุรกิจมันไม่มีความสุขก็ไปคิดว่าถ้ามีอย่างอื่นจะดีกว่าก็บอกว่าผมมันก็เศรษฐีหมือล้านคนหนึ่ง นะขณะเป็นเศรษฐีหมื่ 10, 000, 000, 000, นล้านในอย่งพูดแบบนี้นะว่าผมก็เศรษฐีหมื่นล้านคนหนึ่งในเมืองไทยไม่ต้องห้าร้อยคนรู้สึกไม่มีค่าไม่มีควา ม, มาหมายนะก็คิดว่าถ้ามาเล่นการเมืองเป็นรัฐมนตรีในเมืองไทยมีรัฐมนตรีอยู่แค่สี่สิบคนเออเป็นหนึ่งในสี่สิบมันดูเท่ xi, กว่าเป็นหนึ่งในห้าร้อยถ้าพอได้เป็นก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไหร่เพราะว่ารัฐมนตรีที่ตัวเองนั่งมันเป็นแค่รัฐมนตรีช่วย พอได้เป็นรัฐมนตรีว่าการก็ไม่มีความสุขอีกเพราะมันเป็นกระทรวงเกรด B, ต้องเป็นกระทรวงเกรด A แต่ว่าได้เป็นกระทรวงเกรด A ไม่เท่าไหร่ก็โดนคดีบ้านเล็กที่1้1ก็เลยไม่สามารถจะเล่นการเมืองได้เลยต้องให้พ่อมาเล่นแทนเอาไปกันใหญ่เลยตอนนี้ก็ไม่พบความสุขนะเ น, นความสุขที่เราแสวงหาจากภายนอก ที่เราเรียกว่าโล ก, กธรรมนะโล ก, กธรรมก็คือลาบยศสา ร, รเสริญแล้วก็สุขแบบโล ก, กียยสุขมันไม่สามารถจะทำให้เรามีความสุขได้อย่างแท้จริงเพราะอะไรก็เพราะว่าความสุขภายในมันไม่มีทำไมถึงไม่มีความสุขภายในก็เพราะไม่ไม่เป็นนิจกับตัวเองไม่สามารถที่จะทนอยู่กับตัวเองได้ มันจะมีความแปลกแยกกับตัวเองอยู่ลึกๆคนเราเนี่ยถ้าหากว่าสามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้ถ้ามาอยู่นิ่งๆได้แล้วมีความสุขนะมันก็พอแล้วแต่ว่าจะมีสักกี่คนที่สามารถที่อยู่นิ่งๆแล้วมีความสุขได้เราก็ต้องหาอะไรทําไม่ใช่เพราะขยันนะแต่เพราะมันต้องการนี้ออกจากตัวเอง นักปฏิบัติทำลองสังเกตดูเวลาปฏิบัติอยู่คนเดียวพอเดินจงกรมพอสร้างจังหวะไปได้สักสองสามชั่วโมงถ้าอยู่ถึงนะก็จะหาอะไรทำแล้วก็จะคิดโน้นคิดนี่เช่นเห็นใบไม้ตกก็จะเอาไม้ไปกวาดตกแค่ใบเดียวก็รู้สึกว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะต้องไปกวาดหรือแม่ก็ต้องไปซักผ้าหรือแม่ก็ซักเสือ้อ แต่พอให้ไปทํางานนะเช่นไปทํางานในครัวนะทําได้สักพักหนึ่งพักใหญ่ๆไม่เอาแล้วเหนื่อยกลับมาอยากจะปฏิบัติพอมาปฏิบัติอยู่กับตัวเองสี่ห้าวันไม่เอาละอยากจะหางานทําเนี่ยกระสับกระสายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยหนีตัวเองมันก็เหมือนกับหนีเสือป่าจระเข้ผลทุกวันที่อยู่ในสภาพเช่นนี้ การที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็จะทำให้เราเห็นเลยโดยเพราะถ้าเกิดว่าเรามาปฏิบัติธรรมแบบประเภทที่เรียกว่าไม่มีทางหนีไม่มีทางไปนอกจากปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเห็นชัดเลยว่าให้ที่เราพยายามทำโนโนทำนี่เนี่ยนะมันไม่ใช่เพราะอะไรอื่นแต่เพราะว่าต้องการหนีตัวเองแล้วเราก็สามารถจะหนีตัวเองไปได้นะเบื่อก็ไปเที่ยว เบื่อก็ไปดูหนังฟังเพลงมันก็มีทางหนีไปเรื่อยๆก็เป็นอันว่าไม่สามารถจะมารู้จักตัวเองได้สักทีบางทีการที่จะรู้จักเราเป็นมิกัาตัวเองได้เนี่ยมันต้องเกิดจากการที่ไม่มีทางหนีนะไม่มีทางไปแล้วนะก็จะทำให้ต้องมาประจนกับตัวเองต้องมาประเชิญหน้ากับตัวเองและการที่เราประเชิญหน้ากับตัวเองนี่แหละมันจะทาให้เราเนี่ย เริ่มที่จะรู้จักตัวเองเหมือนกับการที่เราจะรู้ทุกได้เนี่ยรู้ทุกนี่เป็นหนึ่งในอริยสัจนะเป็นกิจในอริยสัจคือต้องรู้ทุกอริยสัจข้อแรกคือทุกกิจในอริยสัจคือการรู้ทุกเราจะรู้ทุกได้เนี่ยเราต้องเจอทุกถ้าเราหนีทุกไปอยู่เรื่อยเรื่อยเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะรู้จักทุกเลยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเผชิญกับทุก และการที่เราจะรู้จักตัวเองก็เช่นเดียวกันนะการที่จะรู้จักตัวเองเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากการที่มันไม่มีทางไปไม่มีทางหนีแต่ถ้าเรายังมีทางหนีนะมันก็หนีตัวเองอยู่เรื่อยไปนักปฏิบัติถ้ามาอยู่ในสถานการณ์อยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก็จะเอื้อให้เราเนี่ยได้มาเห็นตัวเองมากขึ้นแลวเราก็จะเรื่อนเรียนรู้แล้วว่า เราจะอยู่กับตัวเองได้อย่างไรใหม่ๆมันก็จะมีนิวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเป่นความเบื่อความฟุ้งซ่านความอึดอัดทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นอาการของใจที่ไม่สามารถที่จะทนอยู่กับตัวเองได้หรือม่อยแง่เนื้อคือมันก็เป็นวิธีการของกิเลส ก, ก็ได้ที่มันต้องการให้เราเนี่ย เลิกปฏิบัติแล้วก็เพื่อเราจะได้หนีออกจากตัวเองอีกครั้งหนึ่งคนที่ทนนิวรณนไม่ได้คนความเบื่อไม่ได้คนความงวงเหงาหานอนไม่ได้ทนความเสื่องซึมไม่ได้ก็จะเลิกปฏิบัติและนั่นมันก็เป็นชัยชนะของกิเลสหรือเป็นของมารก็ได้กิเลสมารมานี่มีหลายชนิดกิเลสมารนี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่มันต้องการที่จะให้เราเนี่ย หนีจากตัวเองมันไม่ต้องการให้เรารู้จักหรือค้นพบตัวเองเพราะถ้าเราค้นพบตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยถ้าค้นพบอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็จะพ้นจากอำนาจของมารอย่างสิ้นเชิงอย่างที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้เป็นแบบอย่างการรู้จักตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แค่รู้จักว่าเราเป็นใครเรามีนิสัยใจคออย่างไรเรามีความถนัดตรงไหน แต่ว่ามันยังหมายถึงการที่เราได้เห็นความจริงของกายและใจเห็นจนกระทั่งถึงขั้นว่ารู้ว่ากายนี่ก็ไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เราและเรามันอยู่ไหนรอมันก็อยู่ในความคิดที่ปรุงแต่งขึ้นมาเองมันไม่มีเราตั้งแต่แรกเมพอรู้อย่างนี้เข้าเนี่ยมัน มันหมดเลยนะไอ้ความเพียงแก่ตัวมันหมดเลยนะไอ้ความยึดติดถือมัน่นมันเป็นสภาวะที่ไม่มีอะไรที่จะมาครอบงาได้ต่อไปทุ ก, ก็ไม่สามารถจะตั้งหรือหยั่งลงไปได้ไอ้ความดินดีจิไลก็ไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้อำนาจของมานนะที่จะมาบงการให้เราทำโน่นทานี่หรือชักยายอยู่เบื้องหลังมันก็ไม่มีอำนาจต่อไป อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยจิตที่ฝึกอบรมดีแล้วนะจอมพ้นจากบ่วงของมารานี่มันก็วางบ่วงเอาไว้เพื่อที่จะดักให้เราอยู่ในอำนาจของมันและวิธีการดักบ่วงของมันนะมันก็ไม่ต่างจากพรานเวลาเขาดักก็วางบ่วงพีวัดนี่ช่วงนี้มันมีพรานนี่มาวางบ่วงมาวางแล้ววางไปทั่ว ป่าผูหลงเลยสองสามวันก่อนนี่ดักมาได้เก็บมาได้300กว่าอันเมื่อวานนี้นะวันนี้จะเก็บไปอีกสงสยัยจะอี ก, อกเจออีก2 3 0 0อันแล้วนี่มันทำยังไงบ้างวิธีการของแล้วเอาแล้วมาวางเนี่ยมันไม่ได้ยากอะไรเลยไม่ต้องใช้เหยื่อเลยเขาก็เอาเอาลวดสลิงเนี่ยมามัดเป็นห่วงเอาไว้ห่วงใหญ่ๆพอที่จะให้สัตว์เนี่ยมันเดินผ่านแล้วพอคอนี่มันไปติดกับห่วงเนี่ยมันก็จะลัด แน่นเลยคือปกติเวลาจะจับสัตว์นี่มันต้องใช้เหยื่อใช่ไหมจับปลาหรือว่าจะจับพวกอีเห็นอะไรต่างๆนี่ก็อาจจะต้องใช้เหยื่อหรือแม่ก็ต้องใช้นกต่อแต่วิธีการที่ง่ายกว่า น, นั้นคือว่าเอาบ่วงเนี่ยมาวางไว้แล้วก็ทําทางให้มันสะดวกหน่อยคือในป่าเนี่ยมันย้านี่มันรกไปหมดเลยถ้าทําทางให้มันเดินง่ายๆเนี่ยแล้วก็เอาเอาบ่วงนี่มาวางไว้ตรงกลางทางเนี่ย สัตว์เนี่ยปกติมันก็คงมันก็เป็นเหมือนคนนะคือมันชอบทางที่เดินสบายอะไรที่ลกๆมันก็ไม่อยากเดินมันชอบเดินทางที่สบายพลายนก็ทําให้ทางตรงนั้นเนี่ยมันสบายๆโล่งๆหน่อยพอมันเดินไปทางนั้นก็จะเอาแล้วเนี่ยมาวางไว้ตรงกลางพอมันเดินผ่านเข้าไปก็จะติดแล้วแล้วก็ดึงพอมันดึงแล้วก็มัดพอให้มันแน่นแค่นั้นเองแหละมันก็ถูกจับได้แล้ว วิธีการของพรางคือต้องทําให้ทางสะดวกทางสะดวกมันก็จะไปทางนั้นแหละแมายก็ใช้วิธีนี้นะอะไรที่มันสะดวกสบายเนี่ยมายก็ใช้วิธีนี้แหละอะไรทางที่มันสะดวกสบายนี่เราเราต้องระวังนะเพราะว่าเราจะไปติดบ่วงของมายก็ได้มายนี่มันฉลาดมันไม่ต้องเอาเหยื่อมาล่อเลยก็ได้มันเพียงแค่แค่ทําทางให้มันสบายสบายสะดวกสะดวกแล้วพวกเราที่ก็ชอบทางสบายอะไรที่มันสบายเราก็เอาไว้ก่อน จกการปฏิบัติเนี่ยพอมันลำบากเราก็เลิกแล้วแค่ น, นี้ถ้าเรายอมนะที่จะมายอมที่จะมาะเผชิญกับ น, นิวรความฟุง้งซ่านความเบือ่อความอึดอัดได้ถึงตรงนั้นแหละนะที่เราพอเรารู้ทันและเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ไม่ใช่อยู่ด้วยความทนนะแต่อยู่ด้วยสติมีสติเห็นนะมีสติเห็นมีสติรู้อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ให้อารมณ์พน้นน้ำก็ค่อยดับไปดับไปไม่ว่าจะเป็นความง่วงความเบือ่อความหงุดหงิดและถึงตอนนั้นแหละที่เราจะเริ่มเห็นตัวเองเริ่มเห็นตัวเองแล้วเราสามารถจะเป็นมิตรกับตัวเองได้ถึงตอนนั้นเราอยู่กับตัวเองเราปฏิบัติดูปฏิบัติคนเดียวแล้วก็มีความสุขไม่ต้องไปวิ่งหนีหรือว่าไปหาสิ่งเสพสิ่งบริโภคจากการที่การที่จะกลับมาเป็นมิตรและกลมกลืน มีสันติกับตัวเองได้เนี่ยมันต้องพร้อมที่จะฝ่าแล้วก็มีใจสู้ไม่กลัวไอ้อุปสรรคเหล่านี้มันก็เหมือนกับเราจะเลิกบุหรี่คนที่ติดบุหรี่เลิกบุหรี่เนี่ยนะจะเป็นอิสระจากบุหรี่ได้ก็ต้องคนที่จะเจอกับอาการลงแดงปวดหัวกระสับกระส่ายคลั่นเนื้อคลั่นตัวสารพัด ทั้งหมดนี้นะจะว่ามันเป็นอุบายของกิเลสเพื่อจะให้เราเลิกก็ได้ให้เราเลิกที่จะรักษาตัวให้เรากลับไปเสพใหม่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าหรือยาเสพติดแต่ถ้าเราไม่กลัวเรากล้าที่จะฝ่าไปมันก็จะได้รางวัลตอบแทนคืออิสรภาพนะจากสิ่งเสพติดเหล่านั้นแล้วเราก็จะกลับมามีความสุขกับตัวเองได้ไม่ทําร้ายตัวเอง ทุกวันนี้การแสวงหาความสุขของของเราเนี่ยมันคือการทำร้ายตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาความสุขจากสิ่งเสรติดหรือว่าจากการมาสุขพวกนี้มันถึงที่สุดคือการทำร้ายตัวเองเราไม่ได้รักตัวเองจริงเราไม่ได้เป็นมิตรกับตัวเราเองจริงเพราะเราทำร้ายตัวเราเองแต่ถ้าเราเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นเรื่อยๆเราก็จะพบกับความสุขและความสุขนั้นเนี่ยมันก็เป็นรางวัลของการที่เรา ได้มาเป็นมิตรกับตัวเองเพราะนั้นการเป็นมิตรกับตัวเองสำคัญมากมาที่นี่ทั้งทีนะขอให้เราได้พบกับตัวเองแล้วก็เป็นมิตรกับตัวเองให้ได้อันนี้คือมิตรที่เพิ่งรู้จักที่สำคัญมาก